ขาอะไรเคยเป็นอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันไม่คงเส้นคงวาให้จะแปบวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปเรื่องของ้าดของผันเรื่องของกายไม่ได้ยึดกายว่าเป็นเราไม่ว่าเรามีในกายไม่ถือว่ากายมีในเราไม่ว่ากายเป็นเราไม่ว่าเราเป็นกาย ที่เจนาให้แยบทายให้ถใจเหมือนคนไปอาศัยในบ้านบ้านไม่ใช่เราเราไม่ใช่บ้านบ้านหลังนี้พังไปเราไปสร้างหลังใหม่นี้ไปที่ใหม่ไปใหม่บ้านแต่ไม่เด้ให ม, ม่เรามีกายมันแตกสลายแต่ผู้ที่หม่ตายผู้ที่ไม่เฉยายมันมีอยู่จิตของฉันเห็น จิตของท่านรู้ในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนท่า น, นจริงละสะกายยะทิศคือความไม่ทือกายว่าเป็นเราเราไหมแสกกายได้จิตเมื่อเข้าถึงท่านนี้ทางธรรมะท่านก็ทือว่าตกแต่แสของนิพพานจะพิจารณาอย่างไรจรึงจะทราบจึงจะเข้าใจจิตจึงจะถึง กพี่เจนะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรเป็นกายแข่งขามันเป็นกายไหมถามมันดูเหนือนังเองกะดูกมันเป็นกายไหมเป็นเราไหมถามมันดูไม่มีอะไรต่ออันนึ่ถือว่ามันเป็นเราเราไปหลงมันคุไปหลงคือใครคือจัง แต่ใจนี้เป็นนามธรรมาละเอียดปัญญาสติต่อเป็นนามธรรมาเป็นของละเอียดมองเห็นกันได้ถ้าเข้าใจถ้าไม่เห็นไม่เข้าใจก็ยังสงสัยละกายไม่ได้ต้องเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนว่ากายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายกายไม่มีในเราเราไม่มีในกาย ความสงสงัยเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดไม่มีขึ้นในจิตถันจริงว่าละวิจิตติฉาคือความสงสงัยตกไปหายไปถึงจะสมมติมั่นหมายไหวยิงไหวชายว่ากายเหมือนเดิมแต่ความรู้มันมีอยู่ภายในไม่ได้สงสัยติดข้อนี่คือจิต สี่พินิพิจารณาเข้าถึงธรรมะในลูกๆคำคำในศีลในพจน์ของตัวว่ามันบริสุดดทธ์ด่างทออย่างไรใน ม, มีความสงสัยในการปฏิบัติแต่มันเห็นมันเป็นมันเข้าใจชัดเจนชัวร์ถนัดมันไม่ได้ประทับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเป็นอย่างนั้น ถ้าโซดาจึงมีข่าครัวไปเพราะใจมันไม่เป็นทุกสมัยทุกกลางเหมือนกันกับเราไปเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในที่นั้นแต่เราเหนืไปที่นั้นเราก็จําได้ว่าที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นมันมีอันนั้นใค้จะปฏิเสธขนาดไหนเราไปเห็นด้วยตาของเราชัดเจน เราก็ไม่ได้เชื wie, <c oughs> ่อตามคำพูดของเขานี hing, burnout, him, naden, <tem> ่ความเห็นความเป็นของพระโสดาตัเห็นก็เป็นอย่างนั้นท่านเห็นท่านเป็นส่วระยะขณะที่ท่านเห็นท่านเป็นท่านเห็นแก้ชัดเจนจริงจังแต่ระยะหลังมันไม่เห็นไม่เป็นให้ถ้ามันเห็นมันเป็นอยู่อย่างนั้นไปจับในจิตในใจมันจะไปลุ่มหลง ไมครอบครัวอีกทำไมพราโซดาอย่างนางวิสาขาก็เป็นพราโซดามาแต่แกอายุเก็ดขวบยังแตงงานมีลูกถึงยี่สิบคนนี <c oughs> ่หมายถึงความเชื่อมีอยู่แต่มันไม่เห็นไม่เต็นไปให้อีกถ้ามันเห็นอยู่ทุกขณะจิตมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปอย่างนั้น จะเชื่อมั่นว่าการปฏริบัติธรรมะนี้จะต้องเห็นต้องเป็นความจริงมีอย่างไรจะต้องเห็นต้องเป็นอย่างนั้นเชื่อมั่นไม่มีการหลงลืมความเห็นความเจนของตัวผิดเห็นผิดเ็นแล้วก็ตั้งหน้าแต่ทาบาเพ็ญไปตามเรื่องของตัวจนจิตใจ เห็นอีกรู้อีกเข้าใจอีกในสิ่งเหล่ น, นั้นที่มันพวงไปคิดไปของแวะต่างๆก็นำมาพิจารณาบรรเทาเรื่องโลกโลกรดหลงให้เบาไปแทนเียกว่าสติทาสหาแต่มันยังคล่องจิตคิดแวะในเรื่องต่างๆราคาตัณหา ท่านก็นำมาที่เจนะโทษทุกข์ของมันว่ามันเป็นอย่างไรจนจิตใจหมดอารมณ์ในเรื่องเหนนั้นเชื่ออย่างลรถ้าตัญหาความมั่นหมายสัญญามันไปผูกจิตในรูปต่างๆมันจึงเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นไปจากจิตหลงถ้าจิตรู้จิตเข้าใจ เพียงเหล่านั้นมันมเคยกาหนดยินดีคนตายไปมันมีกำหนัดยินดีเดือดกันไหมเอานอนเพลินกันไว้มันก็ไม่มีอะไรที่จะไปจอบไปไปจู่ไปกอดกันหน้าที่ของถาด้องขันมันเคยเป็นถาดอะไรมันก็พังไปเปือยไปผุไปตามหน้าที่ของมันถลายไปเป็นถาดเดิมของมันจริงจังแล้วยิงทชายอยู่ที่ไหน ยินเป็นหญิงยินเป็นชายมันไม่มีมันลบสมมุติออกไปหมดนี่ท่านพิเชนะเข้าใจชัดเจนจะเป็นสุภะก็อตามอสุภาก่อตามนั่นเป็นสมมตุติจิตเท่านั้นไปยึดไปถือไปหลุ่มไปหลงเข้าใจเรื่องของจิตชัดเจนวางเรื่องรูปใจนั้นพิเชนารูปมันมีมีความหมายเหมือนกันกับปืน หอกดาไม่มีความหมายอะไรถ้าหาคนไปไม่ไปฟันไปแทงไปยิงแล้วจะมีเทินกันอยู่ทั่วโลกก่อตามมันไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้าหาคนลุ่มหลงเอาไปยิงไปฟันกันเข้ามันจึงเกิดทุกเกิดโทษขึ้นนี่เรื่องอารมณ์ของใจเรื่องราคาตัญหาขอทานองเดียวกันเพราะใจมันนำสิ่งเหล่านั้น ไปคิดไปรุงมันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นรูปเสียงมันมีอยู่ทั่วโลกแต่คิดเมื่อปล่อยวางรู้เท่าเข้าถึงเรื่องของอัดของทารูปก็สักแท่ว่ารูปมันไม่มได้มาดยวอายุแต่เราลุ่มหลงอะไรแต่ใจมันบ้าบอมันไปยึดไปถือไปกอบไปเกี่ยวเพียงเห็นใจชับเจนเท่านั้น คิตแท้จนิเท่านั้นมันก็วังเรื่องเหล่านั้นถ่านจริงอยู่ในโลกแบบไม่ติดคล้องกับโลกพอราคามันตกไป <c oughs> โทรศัในจิตในใจมันก็ตกอีกพอราคากับโทรศัมันป็นคู่กันเหมือนรูปกับเงาถ้าไม่มีรูปเงามันไม่ปรากฏใช <c oughs> ่เงามันปรากฏก็คือรูปมันยังนี้อยู่เมื่อมันหมด เรื่องเหล่านี้จากจิตจากใจมันเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติเป็นสันติปิโก ร, รู้เองเข้าใจเองเดีวรูปเสียงมีอยู่ทั่วโลกท่านก็ไม่ในลุงไหลเหมือนธรรมดาสามัญชนหรือเหมือนท่านยังไม่ได้ละได้ถอนนี่คือการ ป, รปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจ เมื่อถึงขั้นนี้ก็ทราบดีว่ามันเป็นอะไรถ้าพูดตามเบื่องของตำราท่านก็ทิ่ว่าเป็นพระอนาคามอะไรที่มันยังข่องแหวะอยู่ในจิตในใจ น, นำมาที่เจริญนาแก่ไขที่จิตยังสัมผัสในอะไรท่านก็นำอันนั้นแหละมาแก้ไขมาที่เจริญนา พันจริงว่ารูปรลักษณ์ท่ารูปรลักษณ์่ามานะอุทัศชาอวิชชานี่คือเบื่องสังยดเบื้องบนที่พระอารหันตมัตย์เจตองที่นิพพิจารณาสำละจนเกิดเป็นอรหัตผลคนที่จิตใจละเอียดเข้าไปถึงขั้นนั้น มันจะทราบในตัวของท่านในการคิดนินทิเจรณามันมีอะไรที่จะพิจรารณามันไม่ได้ออกแวะออกไปฝงข้างนอกมันอยู่ข้างในมันฟุงมันคิดอุททจ่าตัวนี้ไม่นเนื้ออุเยจาในนิวรณนหอุเยจ่าในนิวรณนห้มันปุงป่งปุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของโลกแต่อุเทจ่าตัวนี้มันพุ่งปุง้งเรื่องของธรรม อะไรที่มันมาสัมผัสที่นิพพานอยู่ในวงของธรรมนั้นนั้นปุ่งอยู่ปล่งอยู่ในการถอดถอนแกะไขใจของตัว <c oughs> ไม่ได้ปุ่งออกไปสิดข้องกระวเสียงทางนอกทั้งเรียวกว่าอุทจฉะเหมือนกัน <c oughs> จนเหมือมันร้แจ้งเข้าใจจริงทุกสิ่ง ตามเป็นริงข้องมันจิตใจนั้นเคยสงบสงบัดเคยปฏิบัติแยบคลายขนาดไหนมันเคยประทับใจมาเจนมาแต่เวลามันหมดเรื่องของมันนั้นมันเป็นอย่างไรเรื่องของรูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไปถึงแค่ไหนสมมติมันไปถึงแค่ไหน มันทราบว่าจิตอันนี้มันไม่อยู่ในกรอบในวงของสมมติมันไม่มีอะไรที่จะไปจะมามันไม่มีอะไรที่จะแจ้ไข ท, ที่จะบําเพ็ญมันไม่มีอะไรที่เป็นความอยากของใจอีกความบริสุทธ มันเข้าใจในตัวของตัวเองว่าไม่มีอะไรอีกในการที่จะแก้ไขในการที่จะบาเพ็ญในการที่จะละจะถอนความบริสุทธินี้ถ้าพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเมื่อผู้ที่ประพฤติปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยเพราะสมัยนั้นกับสมัยนี้เหมือนกัน ข็อสำคัญมันอยู่ที่ความยังไม่เข้าใจเท่านั้นที่มันเป็นปัญหาที่จะแก้ไขี่จานากันถ้ามันถึงขั้นยิ้มมุดแล้วท่านจึงไม่ได้สอนอะไรอีกเราทุกคนเมื่อประพฤติปฏิบัติไปเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาถามกันสงสัยว่าจะทำอย่างไรไปอีกพอมันหมดสมมติ สมมติมันไปถึงแช่ไหนเข้าใจไม่มีสงสัยแล้วเรื่องวิมุตตมันเป็นอย่างไรจะเรียกว่าวิสุทธิธรรมหรือพันธิฐานนั่นก็เรื่องสมมตดมาพูดกันต่างหาตัวอันนั้นคืออะไรเราจะเข้าใจในตัวของเราเองผูบ้บวชปฏิบัติถ้าไม่เข้าใจในตัวของตัวเอง ตัวจะเรียกปัดจัดตังหรือฐานทิพิโกไม่ได้แต่เรื่องของผลนั้นไม่ต้องพูดกันข้อสำคัญเรื่องของมรคผลมันจะเกิดขึ้นก็เพราะมรคคือการปฏิบัติฉะนั้นศีลสมาชิกปัญญาแทนจริงเรียกว่ามรคคือทางเดินจะต้องเดินไปให้ถึง เหมือนกันกับต้นไม้เราส้องบำรุงลำต้นของมันหาปุ๋ยฮะน้มารถมาใส่ให้มันชอบอาหารอะไรที่จะทำให้ต้นลำต้นของมันงอกงามหายามาฉีดให้ค่ะมีอะไรมารบกวนมันให้ต้นของมันเติบโตขึ้นอยาให้มันอับเขายยาให้มันเหนียวแห้งยาให้มันร่มตายไป รักษาดูแลอยู่ตลอดเวลาส่วนไม้นัก บ, บันจะงอกงามขึ้นเพราะมีน้ามีปุ๋ยเมื่อมันเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นดอกผลมันจะโตกออกมาเองออกมาเองในต้องไปบงังคับมาเหตุโตดอกออกผลถึงการถึงเวลาของมันมันออกมาเอ ง, ม, ออ ม, เองมันออกมาจากที่ไหน แต่มันอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นเราจะไปพักไปฟันไปแยกไปแยะดูที่ไหนไม่เจอหรอกดอกผลของมันแต่เวลามันออกมันก็ออกมาจากต้นไม้ต้นนั้นดอกผลฉันใดเรื่องการประฏิบัติที่เป็นมีมุตข่ทำนองเดียวกันเรายังค้องสิคิดแยะอยู่อะไรที่จะนาไปบำเพ็ญไปพอถึงมีมุตมันจะเกิด ในตัวของมันขึนเองซึ่งนอกเหนือไปจากสมมติคือไม่ใส่จริงใส่ใบใส่ลำต้นข้องันเป็นดอกเป็นผลอีกตังหากจึงมันเกิดข้องมันเองเพราะพอในการจะทำบำทําเห็นผลนั้นมันจะเกิดขึ้นข้อสำคัญจึงควรตั้งหน้าต่างตาที่นิพิแกนารักษา สังวรกายวา ย, ายใจใจพ้องตัวชั่วพยายามละจะเป็นการพูดกว่าตามการทํากว่าตามการคิดกว่าตามให้เห็นโทกเห็นภัยในเรื่องชั่วมันจึงจะละได้ดีพยายามบาเพ็ญไปจะเป็นทางกายทางวายใจ ท, ทางใจจะทําเลืยดบําเพ็ญเลือดตรวจตาที่ใจนะ จิตใจของตัวอยู่สม่ำเสมอว่ามันคิดปรุงอยู่ขณะ น, นี้ระยะนี้เดียวนี้มันเป็นไปเผื่อท า, ทางสะสมทีเหลหรือเป็นไปเผื่อทางแกะไขทีเลต้องเฝ้ารักษามีสติปัญญาดูใจิตใจของตัวนั่นคือผู้ปฏิบัติถ้าหากมองข้ามเรื่องนี้ก็ไม่มีทางที่จะรักษา จิตใจได้เพราะจิตใจเป็นเรื่องสำคัญจิตใจทำายาจพูดโดยมากมันออกไปจากใจถ้าไมนมีใจเช่อย่างตายมันมีอยู่ทั้งกายก่าตามคนตายเห็นไหมมันไปยินดียินร้ายไปขาไปตีจะเป็นโจรเป็นขโมยใหญ่โตวขนาดไหนถ้ามันตายไปเอาขอไปวาง ทางหน้าอกมันไว้มันก็ไม่ขโมยไปไหนหรอกมันไม่หยิบของใครเพราะมันตายแต่นั้นเรื่องใจจึงเป็นเรื่องสําคัญจึงควรสงวนรักษาแต่จะรักษาด้วยวิธีอื่นไม่มีนอกจากสติปัญญาจะต้องรักษาว่ามันคิดนึกคิดถูกอย่างไรจป็นไปในทางแก้ไขหรือเป็นไปเพื่อทางสะสมกิเลส นี่คือผูกประพฤติปฏิบัติเราทุกคนนักปฏิบัติโลกเขาสมมุติให้ว่าเป็นพระกรรมาฐานมาฝึกหัดปฏิบัติใจวายใจใจองตัวเราได้รักษาประพฤติปฏิบัติตามคำสมมุติของเขาหรือไม่หรือหากเพียงแต่ชื่ออาศัยศาสนาเหมือนกาจับภูเขาทอเห็นว่า อยู่ในศาสนาเป็นชาเป็นเนีนเขาเหลื่ยมใส่ชัดชาเขากาบเขาไหว่าขาไหวดีเท่านั้นพออาศัยผ่าเหลืองเครื่องอยู่ก็เหมือนกันกันกบกาดำไปจับภูเขาทองเห็นสี้ของทองจับเขา้าบอกว่าเราดีเราวิเศษพอบินออกจากภูเขาทองไปมันดำอย่างไรมันก็ดำอยู่อย่างนั้นจิตใจเขาพวกเราทานกว่าอยากให้มันเป็นแบบนั้นจะ ใ, ให้เป็นนักปฏิบัติแบบนั้น อยากให้เป็นนักปฏิบตัติเป็นพระเป็นเนนกาฝากก็อาศัยบางแฉ่ผ่าเหลืองกินแถานั้นให้มีอาจมีธรรมจริงจังในตัวถ้าเรามีอาจมีธรรมในตัวของเราแล้วเราจะสุขเราจะสบายไม่เป็นกาฝากศาสนาไม่เป็นกาดำจับภูเขาทออยู่สถ า, านที่ใดก็เป็นตัวของตัวได้ มันพองใสสะอาดอย่างไรสวยงามอย่างไรเรื่องจิตใจกวรใจสะอาบไปสถานที่ใดมันไม่มีอับเขาไม่มีเสียหายเพราะเรามีสติมีปัญญาสำราิเรลียยตัญหาสิ่งเศร้าหมองออกจากใจท้องตัวได้ น, นี่คือการปฏริบัติแต่นั้นทุกท่าน ต้องตรวจสอบทีนิษพิเจนาใจวายจาใจท่องตัวด้วยสติด้วยปัญญาต่างหน้าต่างตาเพียนพยายามรักษาละชั่วบำเพ็ญดีศีลก็ให้บริสุทธิ์เป็นวิสุทธิที่ศีลจิตก่อให้เป็นวิสุทธิที่จิตด้วยการชำระสะสม โดยการต่างหน้าต่างตาแต่ทำบาเพ็ญภาวนาจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะขับไล่เรื่องกิเลสตัณหาออกไปจากใจได้จะไปเห็นว่ามรรคผลอยู่ที่อื่นไปเห็นว่าความสุขอยู่ที่อื่นไปเห็นว่านิพพานอยู่ที่อื่นมันอยู่กับจิตกับใจของเรานี้ทุกอย่างไปนรกก็อยู่นี้ท่นจริงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็นอยู่ในใจเหมือนกัน ไม่ได้อยู่ตำหรับํำลาในอยู่ดินฟ้าอากาศให้พยายามประพฤติปฏิบัติดูแลรักษาตายวาจาด้วยสติปัญญาเมื่อคนใดตั้งใจจะทำอย่างนั้นความสงบตั้งมั่นความละถอนจีเลตันหาจะเกิดเห็นเป็นรู้ในบุคคลผู้นั้นโดยไม่มีทางสงสัย การอธิบายธรรมเขียนว่าพอสมควรเียเวลาพอยู่กเพียงแค่นี้เอวังก็พวกนี้เตาก็นี่รถจ้ารถยู่ไหนยันงยุนันมึกี่ใอยจอดูโอ๊ยมีปัญไรเนี่ย มือ่อนตันไปเลยนะและ้วนี่อภิฐานเลยนะยังไงฮตจให้มันเป็นศาตทุกทุทยกยศาตนีอย่งนั้นคุณพระอภิษแม่แล้เนาะอย่าเนาาื้อทกไปเาลงประมาณประมาณท่าศาตนีกลายเป็นปฏิศาสตร์ศาสตนี่กลาเป็นศาตร์ทุกไทยตอนเกิดของเรา ตป็นมาเป็นกตัญญูวะเรไปเพี้ยนเอาเงิไปตไเไปมาอมันย่งนนะร้คนทุก์แม่ก็ตายอีกเ็ตนนึงน มาไมกากันต็ได้แดดดีวดดยน่ยม่ไม่กากันู้อห่เเดกันน่อเดกัน่แล้วก็ตักูนันกูนัเลเาไปตายวก มันเกิดิจได้ลมันเกิดกันงงได้เเดียบ้านนี้จะตายได้แล้วเราระมาดไม่ตั้งใจตั้คุณคุณดีกว่ตายมันก็ไปเสยมาจะต้องปตอทองถ้าคนรับก็นน างกเ็เตทุกหน้าันมาเามีคนสบายใจก็มันต้องางกัเต็มเลยผู้อื่นบิการอีก็มันต้อง่างกเต็เองหรือเชื่อ่ตองางกนเต็เองหอกขาเอาไปเอาเล่าอาข้ามเอได้แต่คนตัเก่าเขาตัวสั่นต่อไปไทางราดีไริ้ ยาเป็นใจใจโยกกะโต๊ะงอใจโยกกะโต๊ะใจโยกกะโต่องไอ้ใจจะอาบไอ้ใจจะอ a บอืมไอ้จะอาบใจบ้ไช่เันติดใจติดมันโเสยตายหันังนห r ั n ศีลยื o หอบเป็นยังเล อานเป็นเยอานเป็นเน็เออ่อันเป็นจน า, า, นาขกข้กมมอมูลอะไรข้อมเดีย่าเป็นศาสนาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยเจาแม่สนของพ่อไม่เป็นของเย็นอยู่เย็นเป็นทุกแน่เนี่ยตานบหานเกือบจะร้นบ้นือทั้ง อันเพื a อฮะแน่ g นเพืนเ่าตายอยู่ัดปาคุณปางัต้ตนตไม่ไองอ ถ้ากันตายอย ok ู่นอกสมุดจะตายอยู่ในสมุดนอกสมุดคือทำโพ่มาให้คือทำไมใยของพระพุทธเจ้าทำโพ่มาใ้เป็นสุขในธรมะชนอะไก็มีกวนดอกเย็นแลวมีค้นเดรัจฉตายไปประสาตกแกปกกมันห่อนปากแกผมมีใต้นนามตายปากแกนอกบ้านมีแต่ขีอเขาเป็นว่า อ่าลืมตอให้จังหนึ่มึงจังให้ดูต่อนจะไปดูผู้อืนจะไเท้่ยกับผอืนเาทำบ่ดีเาก็เป็นโก็โ กันโตทำบุดีก็นเดียดอ้อนตนเป็นโตตนดีเยรับทุกข์กันเ็นตนกันเลรับทุกข์กันเป็นรับตนเขาทำดีเขาเป็นเลรับความทุกข์กันเขาหุ่นไม่ได้อย่างนั้นดูตนดูคุกยืนโบสถ์ยืนเดิน้อยดูตนเหยียดตนดูสิเกิดตนดูธรมเมื่อหลัง ให้โอกาสร่กยดีอยู่แข็งแงอูต้องก้มเพื่อนกิบโได้อยู่ันตมาคืออะไรกันนี่กันเลยทีวันถุก็หลายกิบโได้เย็นไม่เสียแต่ตัวทีไปติดสุของที่ตัวมันจะังอ่าลงบ่ได้บุบหน่อยช่วยหน่อยกันน่ เดีเเดเเดเ่อนี้หขาเป็นปเรื่งนี้เขาเปเรืต่างจากคราวานเลยเอาใ น, น, น, นเหยญเงินมาเลยเราต้องมีความสเร็จมีความะรบางยาให้ใจขนองรบขนองไปนอะไรมีการมาลุ่มต้องหาคำ ต, ติด เดี๋ยวต่อยไปตาอารมนี่จะทำมานใเ่งตั้งก้นเกินนี่จะเจระวงงวันจะโย่่อว่าจเหี่ยะนิัีมเย่อนเจาะก่อมีก้เพื่ ใจเนี่ยเป็นการตั้งลนตวาใจนป็นกักล่นกักล่นมอกงวันนี้จือมก